สี่สิบกว่าคนาแต่หลวงพ่อไม่รู้เหมือ น, นกันว่าท่านมาถึงแล้วแต่เห็นเทปลายพระมาก็เลยเด็พูดอบรมธรรมะให้พระฟังเมื่อวานพูดเป็นแนวภาคปฏิบัติเข้มขน้นพอสมควรวาน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 มีความพร้อมเพรียงสมรคีกกันนิง่งซะก่อนนะแต่บางคนก็จะเอาไปไว้ตรงนั้นก็มีป้ายต่อต้านขึ้นมาแล้วยกป้ายขึ้นมาต่อต้านในเมื่อต่อต้านแล้วมมันก็ยังไม่นิง่งในเมื่อยังไม่นิง่งก็จะแดงว่าผู้ที่จะลงมือลงทำรยังมีการขัดแย้งกันอยู่เอาเถอะอ่าในเมื่อขัด แย่งกันอูอย่าเพิ่งทําทําไปแล้วก็ไปไม่เป็นมงคลสิบปีก็ยังไม่สายการสร้างคุณงามความดี10ปีก็ยังไม่สายผู้ที่ตายไปก็ตายไปเป็นไรไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่างใอ้ผู้ที่ฟังบรรานบร น, น, นกรณ์หลวงพ่อคุณก็อายุ70ปีก็ตายให้เห็นอยู่แล้ว เมื่อวานบรรก่อนหลวงพ่อประจนก็เจ็ดสปีก็ไปให้เห็นอยู่แล้วแล้วก็ท่านบุญจันทร์ผาน้ําจันทร์หกสิกว่าปีไปให้เห็นอยู่แล้วแล้วก็วัดหลวงปู่อ่อนโ ค, โคเขตก็บพึ่งประชุมเพิงเมื่อนาแล้งนี่ยอายุเจดสิบต้นต้นก็ไปให้เห็นอยู่แล้วเพราะนั้นหลวงพ่ออินของเราเนี่ยก่อน 6กสบเกปีแล้วนะจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่เอาเถอะลูกหลานนะาพวกเรารุ่นเก่าๆนี่ที่ม่เห็นเห็นไม่ลงรอยกันาตายไปตายไปตายไปอีกสิบปีข้างหน้าลูกหลานไม่มีใครไม่มีความเห็นที่คอยสร้างเท่ า, เา่สร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาต่อไปอจะตกปัจจัยก็มีอยู่แล้ว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 อาจจะแพงขึ้นก็ไม่เป็นไรจ้างเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละหล uh วงพ่อก็พูดเท่านั้นตามไม่จริงหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดหรืออยากจะกล่าว uh มีแต่มีความมีแต่ความพยายามโน้มน้าวสามัคคีเป็นหลักตั้งแต่ไหนแต่ไรมา คำว่ า, าแต่แกกสะมั ก, กีเอารัดเอเปรียบหมู่พกเพื่อนคณะสงฆ์ในใจของหลวงพอ่อสึกว่าไม่มีเลยเแต่จะทำยังไงจึงจะเป็นไปด้วยความราบรุ่นในการบริหารจัดการคณะสงฆ์แต่หลวงพ่อเองมานึกย้อนหลังอีกเหมือนกันนะถูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยม นึกย้อนหลังเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเรานึกย้อนหลังไปเราเกิดมาเพื่ออะไรเนเมื่อเราก่อนเกิดคุณแม่ชี้แก้วท่านก็บอกว่ามีพระอินทร์เอานําแก้วก้อนหนึ่งมาถวายเม็ดหนึ่งแก้วใหญเ่เกือบเท่าแตงโมนะเนีแต่พระอินทร์บอกว่า มาสร้างบา ร, รมีขอให้มาฝากคุณแม่เขามาสร้างบา ร, รมีแต่นี่นคุณแม่ก็รับพ่อรับท่านก็มองซ้ายมองขวามองลับมองหลังเห็นโยมพ่อเข้ามาท่านก็เลยเอาแก้วนี้เอาเขาจะมาขอเกิดด้วยนะจากนั้นยงพ่อก็ได้รับไป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 อายุ7ปีเข้าโรงเรียนบ้านนอกต่างหากพออายุย่าง12พอเราจบปสอ่เดือนมีนาเพราะเราเกิดมันเมษาวันที่27เมษาจากนั้นเราเข้าเดือนมีนามันก็เข้าปีที่12จากนั้นเราก็บวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรกับหลวงปู่ล่าศึกษาทุกอย่าง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 จากนั้นพี่น้องเลยนิมนต์ท่านมาท่านก็เห็นว่าโยมแม่ของท่านอายุป่าจะเข้า80แล้วท่านก็ควรจะมาโปรดแม่ของท่านเป็นครั้งสุดท้ายพอท่านมากลับมารอบสองเราก็บวชเป็นพระอะไรตั้งท่านก็ได้มนต์ท่านก็มาบอกให้มาเป็นเพื่อนท่านอีกหมู่พกเพื่อนท่านจากนั้นเรามาจําพรรษาที่ห้วยทรายปี25งพ จากนั้นผมโยมมารดาของท่านโยมแม่ของท่านจากไปโยมย่าจากไปท่านก็ขึ้นไปจำพรรษาทางวัดกิติหลวงจังหวัดเชียงใหม่โลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปจำบรรษาวัดหลวงปู่แหวนสุจินโนปี2 5 1 1 5 1 0 5 0 8จำบรรษาที่ภูจก้า5 0 9ห้วยทราย510ร้อยแม่ปัง 511ร้อยสิบเอ็ดตรงมาจำราษากลับมาจำํำภรษาที่ห้วยทรายอีกเพราะญาติโกโหติการนมหมดห้าร้ออกจากห้วยทรายเหตุผลที่ออกจากห้วยทรายจากหลวงปู่จามเราก็ให้เหตุผลว่าหลวงปู่หลวงอาที่หนีจากบ้านไปแต่สมัยเป็นหนุ่มเพราะหลวงอาบอกว่าอยู่บ้านมันพุ่นวายไฟดุนเก่าฐานเก่า มันติดไฟได้ง่ายกระผมก็เหมือนกันทําไมอยู่ในบ้านคงจะติดไฟได้ง่ายเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอยังเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มก็ต้องมีสาวมันก็ต้องลักษณะอย่างนั้นพงเพออกไปอยู่ที่อื่นท่านก็ไม่ขัดค้องเพราะท่านรู้แก่ใจของท่านเออ จากนั้นเราก็เลยขึ้นมาทางนครพนมสกลนคร อ, อุดรผลใ น, นสุก็ได้เข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแต่ตามไม่ยิงว่าอยู่วัดป่าบ้านตาดเราก็ไม่ได้จุดประสงค์จุดนี้จุดเดียวเราจะตองเวนไปเรื่อยจนเป็นที่มั่นใจซะก่อนเราจึงจะเข้ามาอยู่จำพรรษาถ้าเรามั่นใจจึงจะวกกลับมาใน ใ, นใจแต่พอเขาไปอยู่วัดวัดป่าบ้านตาดแล้วอือหน่าศึกษา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 มาแวะหลวงปู่จามพอได้ฟังแนวความคิดของหลวงปูล่ลาทั้งหลวงปูล่ลาทั้งหลวงปู่จามถือว่าเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งก็เป็นญาติผู้ใหญ่หลวงปู่จามแต่หลวงปูล่ลาเป็นญาติสนิททางธรรมะตั้งแต่อายุ1112ปีถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ธรรมะสอนแนวความคิดให้แต่แรก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 แล้วก็พระมาจากทินอื่นนะก่อนที่ลูกปูจะจากไปนะจะตกประจัยวัดเราไม่เกี่ยวเราก็พยายามหาสมัครพรรคพวกหาทุนเพื่อสร้าง JD เจดีพระลกูกปูกำลังเส้นเลือดแตกนะนะนอนอยู่ที่มุกดาหารเป็นเวลาสิบกว่าวันนะเราก็พยายามสััทธาญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นะก็ได้เงินเกือบสิบหัวล้าน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 ในวันอุบโบสถประชุมกันพระเป็นร้อยเอาบรรจุเลยไปรออะไรจะไปหาหมอลหอร้องหมอลำทําไมหลงปู่ล่าเราง่ายๆบัรจุเลย <Platform> พระสงฆ์ก็บรรจุเลยบรรจุเสร็จแล้วเขาก็พูดเจย้ยมาหาหลวงพอ่อเหมือนกันอทิท่าหลวงปู่ล่าบัรจุแล้วนะอ้าวบรรจุได้ยังไงเอเรายังไม่ได้เออ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 แต่ทำไมลูกหลานจึงทำอย่างนี้แบบขาดความเคารพมันไม่ถูกตรงพ่อคิดได้เพียงแค่นั้นจากนั้นก็เลยเข้าไปกราบเรียนองค์หลวงตาพอจวนเจดีจะเสร็จโอกาสวองลงตาครับผมเจดี JD ของหลวงปู่ล่าเกือบเสร็จแล้วแต่ว่า เ, เรื่องบรรจุอธิธาต์ของหรือพระพระบรมสารีริกธาตุก็ดี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 จากนั้นก็สร้างเจดีย์ทุกอย่าง เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าประชมกันใหญ่เลยเลยเอ า, เอาพร้อมกันอะไรอย่างพี่น้องประชาชนสัจหายาตโยงพณะสรสงเป็นร้อย เ, อเรื่องเจดีย์เจดีย์ของหลวงปู่ล่าเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็ควรจะถวายซะ ถวาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาจวนที่จะฉลองเจดีหรือว่าสมโพธเจดีนั้นคงจะไม่มีเพราะเหตุหลไยเพราะว่าได้บรรจุไปเรียบร้อยแล้วพอาพวกท่านทั้งหลายบรรจุแล้วผมก็ไปกราบเรียนหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเจดีของหลวงปู่หล้าวันนั้นให้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 เงินก่อนนี้จะทำยังไงแต่ในฝ่ายทางนู้นเขากดคืนมาเงิน J จดีก็ต้องเป็น JD. เจดีย์เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะเงิน JD ดีมันเหลืออยู่ประมาณหกล้านกว่าหลวงพ่อจาไม่ผิดนะหลวงพ่อก็บอกว่าผู้ที่ลงขัน JD ดีเป็นใครที่ลงขัน JD ดีสร้าง JD ดีเป็นใครผู้ที่ลงขันสร้างเจดีลายใหญ่ มีชื่อให้กลุ่มนั้นเป็นผู้ออกเสียงถ้าว่าผู้ใดก็ตามไม่มีทุนไม่ได้ออกทุนด้วยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงใช่ไหมพวกที่ออกเสียงก็ยกมือใช่เอาถ้าอย่างั้นพวกเราจะเอาไว้ที่ไหนจะไว้เกจดีผู้เจ้าก้อนหรือว่าจะซื้อทองคำเข้าข้างหลวงถวายหลวงตาแต่หลวงพ่ออินเนี่ยทั้งหมดนี่ ที่มันยังเหลืออยู่ทหารออกมาเนี่ยหงพ่อจะซื้อทงทองคําเข้าข้างหลงวงถวายหลวงตาทั้งหมดเพราะหลวงตากําลังต้องการทองคําถ้าหากว่าหลวงปู่ล่ายังอยู่หลวงปูล่ลาก็คงจะยกถวายหลวงปูง่หลวงตาเหมือนกันพราเงินก้อนนี้เจดี JD, เรื่องเจดีต่อไปนีใครๆคก็อ้าวเห็นด้วยพระเนรสูกอ้าวจะซื้อถวายทองคำถวายหลวงตาทั้งหมด เ, เงินที่เหลือหกล้านกว่า นี่แหะจากนั้นเรื่องเจดีย์ไม่ต้องฉลองเพราะบรรจุแล้วถวายเป็นสังฆทานเป็นของสงศกจบนะมีอะไรไหมขัดข้องอะไรไหมเลิกกันพวกนั้นก็ถวายสังฆทานถวายเจดีย์แล้วก็จบเลิกกัน เ, เป็นเจ้าของใหญ่คือคุณอรุณเนโอ๊ยไม่ได้สร้างเจดีย์จบแล้วไม่ถวายได้ยังไงไม่ฉลองได้ยังไง ต้องไปพูดใหม่แต่นั้นก็เลยเข้ามาหาเจ้าแก่สมหมายแล้วมาหาหลวงพ่อบอกว่าเมื่อฉลองเจดีหลวงตา เ, เงินในได้รับเงินบริจาคมากน้อยแค่ไหนในการฉลองเจดีจะมอบให้หลวงตาซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดจะไม่มีแบ่งสารปันส่วน ท่า น, นอาจารย์อินจะว่าอย่างไงหลวงพ่ออินจะว่าอย่างไงเราได้ยินเดียวเดี๋ยวก็วไปกราบเพราะจะไปตัดสินใจก่อนหลวงตาก็ไม่ได้แล้วก็เข้าไปกราบหลวงตาก็การพ่อแม่ครูอาจารย์คณะทั้งปู่จอกกอคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมพร้อมกับเจ้าอาวาสพระสงฆ์บอกว่าจะตุปัจจัยที่ได้ในงานฉลองเจดีของหลวงปู่ล่าทั้งหมดจะมอบ ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดก็ับผมหลวงตาแา่ก็นั่งนิ่งตดวมากถ้าเครื่องใหญ่ๆทั้งจะนิ่งสักช่วระยะหนึง่งท่านก็คิด ต, ตัดสินใจอืมถ้าเป็นอย่างนั้นอา้าวรับจัดการฉลองเฉลิมสมโพธเพราะว่าเราเห็นแก่ประเทศชาติมากกว่า เรื่องเ่านั่นคือเอ า, เอาไว้ก่อนแต่มันไม่ถูกก็มันไม่ถูกแต่ว่าเรื่องเราเห็นแก่ประเทศชาติเราจะหาทองคําเข้าคลังหลวงเอาสมโพธิ์ก็สมโพธิ์จัด ก, การกระโปงจากนั้นหลวงพ่อก็จะดาเนินงานในการสมโพธิโปรนิจจุติเงินหกล้านกว่าซื้อทองคําได้ประมาณมีสมทบเข้าไปอีกประมาณได้ยี่สิบกิโล แล้วก็เงินทองที่ได้มาในวันนั้นอีกวันสมโพษิถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดได้ทองคำทั้งหมดเกือบ28บกิโลอมอบให้หลวงตาเอาเข้าคลังหลวงนี่แหละข่าวนั้นเป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็ได้สู้มาทุกรูปแบบพูดต่อมาต่อมากมาของคุณแม่ชีแก้วอีก ได้สร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วอันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดนั้นอแต่ต่อมากันมาถึงหลวงตางานจรีละของหลวงตางานพระราชทานเพลิงของหลวงตางานนี้เป็นงานที่แปลว่าใช้สติใช้ปัญญาใช้นัดปุตทุกอย่างเอาบารมีที่สั่งสมมาทั้งคันติทั้งวิริฎก ทุกอย่างปัญญาสัจจะที่จะทำกิจการของหลวงตาเพราะหลวงตามมอบอให้ใคล้ายๆก็เป็นความไว้วางใจมอบความไว้วางใจใครครห้เข้าไปให้ดูแลเกียกองค์งานศพของหลวงตา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 ที่ผ่านมาก็เป็นที่ยอมรับคนทั่วประเทศนี่พูดอย่างนั้นได้แต่ไม่เป็นที่ยอมรับเป็นคนบางกลุ่มแต่ขนาดนั้นก็จะไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันแต่พอมาถึงช่วงเจดีของหลวงตาหลวงพ่อก็เงเอา้าพองานจุดนั้นหลวงพ่อได้ทําสุดความสามารถแล้วแต่ช่วงเจดีนี่ขอมอบให้คณะสงฆ์กูบาจารย์หมู่พวกเพื่อน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 นำมาคิดนำมาพิจารณาการกรองไตรตองโดยเหตุและผลทุกอย่างล้วนแล้วมีเหตุผลทั้งนั้นเราเคารพนับถือเรื่อมใสขอกราบคารวะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่เป็นพระอานุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าขอกราบลำนึกถึงพระคุณฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะเรากราบลำนึกถึงคุณพระคุณของหลวงตาหลวงตา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 เป็นผู้เมตตาให้แนะนําสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาให้กับเราเราได้รับความรู้ความเข้าใจในธรรมของหลวงตาข้าพเจ้าขอหนอบนอบ้อมคารวะโดยความกรบอย่างลึกซึ้งฮะเราก็อยู่ไกลแต่เราก็ราลึกถึงได้เพราะอะไรเพราะพระคุณทั้งหลายอยู่ในใจของพวกเราแต่หลวงตาท่านก็ไม่ได้อะไร อกับเรามีสวัาเรา ล, ลึกถึงท่านอท่านไม่ได้แบ่งสันปันส่วนอะไรเหมือนกับหลวงพ่อนะ่ะเออศรัทธาญาติโยมนะ อ, อไปทาํามาค้าขายอย่างนี้นะอย่างนี้ น, น, นี่นะแต่เมื่อเขาไปทาํามาค้าขายแล้วเขารวยขึ้นมาเขาก็เพียงล้าลึกว่าโอ้ขอบคุณหลวงพ่ออินมากๆที่ท่านหลวงพ่ออินแนะนําเ อ, อบอกกล่าวให้พวกเราที่ได้ทาํามาค้าขาย